ถึงใส่เทศจบก็ขึ้นเมนพอดีเลยหายใจไม่ตัน <c oughs> นวัตสการ์อาจารย์หลวงพ่อหลวงพ่อไม่นึกว่าโยมจะมาเยอะอย่างนี้นะหรือว่าจะมีเฉพาะญาติญาติเรามาเจอกัน วันนี้เป็นโอกาสที่มีงานศพหลวงพ่อไม่ได้ออกจากวัดมาสามเดือนแล้วแล้วก็ไม่ได้เปิดเทศให้คนเข้าไปฟังนะตั้งแต่วันที่สิบมีนาคมแต่สอนธรรมะเนี่ยสอนทุกวันไม่ได้หยุด เป็นเวลาที่ได้สอนพระในวัดในพวกเราใครเคยภาวนาบ้างยกมือให้หลวงพ่อดูหนะ่อยโอเคจะได้เทศแบบนักภาวนางานศพหนึ่งสอนเรา ว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนมีเกิดแล้วก็มีตายใ น, ในงานศพเนี่ยพระชอบสวดอภิธรรมกันอภิธรรมเนยถ้าเราฟังแปลออกมาได้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสภาวะสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขา อย่างในทางสมมุติเราก็ว่ามีคนนมีตอนนี้มีคนตายแต่พระสวดอภิธรรมเพื่อสอนญาติโยมไม่ใช่สวดให้ผีฟังนะสอนให้โยมฟังจริงๆแล้วไม่ได้มีคนตายหรอกสิ่งที่เรียกว่าคนมันก็คือวัตถุธาตุที่มารวมกัน ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาประกอบกันเรียกว่ามีขันห้ามีรูปมีร่างกายมีความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายทางใจมีความจำได้หมายรู้อันนี้เป็นเรื่องของใจใจเป็นคนจำได้ใจเป็นคนหมายรู้จำได้เช่นจำว่า นี่สีเขียวอันนี้สีแดงคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นี่ตัวจำเนี้ยมันจำมาแบบไม่ได้ศึกษาธรรมะมือคิดจำแบบว่ามันมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาขึ้นมาตัวจำเรียกตัวสัญญาจำแบบสัญญาพิปลาดคือบ้าจำแบบบ้าบ้าของไม่เที่ยงก็จำว่าเที่ยง หมายรู้ว่าเที่ยงบางทีหมายรู้ว่าสุขหมายรู้ว่าเป็นตัวเราจำได้แล้วก็หมายรู้จำได้ก็แบบที่พวกเราจำเรื่องน้นเรื่องนี้ได้หมายรู้มันเป็นอีกสเต็ตหนึ่งถ้าอยากจำได้แล้วก็อาศัยข้อมูลเดิมที่มีอยู่มาหมายรู้สิ่งที่กำลังมี บังยากไปก็ไม่ต้องสนใจเอาง่ายๆก็ได้อีกตัวหนึ่งที่มันประกอบเป็นตัวเรานะนอกจากร่างกายนอกจากความรู้สึกทุกข์นอกจากความจำได้หมายรู้ก็คือความปรุงแต่งของใจปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงความไม่ปรุงบ้างเมื่อเช้าเนี่ยสอนพระที่วัดองนี้ปรุงดี ปรุงดีปรุงอะไรบ้างอ่ะปรุงสติสัมผัสัญญะปรุงความรู้เนื้อรู้ตัวปรุงสมาธิที่ดีปรุงเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็ยังเป็นความปรุงแต่งอยู่<ม>เป็นโลกียะอยู่ก็ต้องอาศัยความปรุงดีไปก่อนถึงจุดหนึ่งศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วมันก็จะพ้นจากความปรุงได้ นี่เดินตรวจแถวพระไปโอโองค์นี้ปรุงชั่วปรุงชั่วปรุงไงปรุงหลงใจลอยเ mer m e ฟุ้งซ่านพอใจลอยไปก็กระทบอารมณ์ที่ชอบใจก็ปรุงราคะขึ้นมากระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ปรุงโทสะให้มางดหงิดนี่หลวงพ่อเดินผ่านพระไป มาพาให้ดูองค์นี้กำลังปรุงดีนะจิตใจตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแยกธาตุแยกขันได้นี่ก็ปรุงแต่งแต่ปรุงดีองค์นี้ปรุงชั่วกำลังฟุ้งซ่านอยู่กำลังหลงไปคิดแล้วไม่รู้ว่ากำลังหลงอยู่พอหลงพ่อไล่ตรวจมาอย่างนี้นะพระถัดไปได้ยินพยายามปรุงอีกแบบหนึ่งปรุงไม่ปรุง ทำใจว่างๆ่างนี้ก็คือปรุงแต่งความดิ้นรนที่จะไม่ปรุงแต่งก็คือความปรุงแต่งนะงั้นความปรุงแต่งก็มีสามแบบปรุงดีปรุงชัวนะ่วแลปรุงความไม่ปรุงแต่งนะตัวนี้แหละที่ทำให้เกิดกุศล อ, อกุศลทั้งหลายขึ้นมานะนะอีกตัวหนึ่งที่ประกอบ เป็นตัวเราคือตัวจิตคือตัววิน ญ, ญาณหรือตัวใจจิตวิญญาณใจใจภาษาบาลีเรียกมโนเดี๋ยวนี้เอาคำว่ามโนไปใช้เสียหายนะแปบลบว่ า, ค, า, า, า, าคิดเพ้อเจ้อบ้าๆบอๆคิดเอาเองมโนจริงๆแปลว่าใจจิตมโนวิญญาณก็คือธรรมชาติอย่างเดียวกันนะธรรมชาติที่รู้อารมณ์ นะอย่างเรารู้รูปทางตาเรารู้เสียงทางหนะูเรารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นนะรู้สิ่งที่สัมผัสร่างกายนะทางร่างกายรู้เรื่องราวทางใจนะก็ด้วยใจนะวิญิญาณทางใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะห้าประการเนี้ยคนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาธรรมาก็คิดว่า คนมีอยู่มีพอมีคนอยู่นก็มีคนเกิดมีคนตายมีคนยังไม่ตายแต่ถ้าเราสามารถภาวนาเราแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปได้เราจะเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าคนนั้นจริงๆมันไม่ใช่คนหรอกมันก็แค่ขันธ์ห้าเป็นตัวรูปร่างกายในตัวรูปตัวเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกตัวสัญญาคือความจําได้กับความหมายรู้ ตัวสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วคือพยายามจะไม่ปรุงวิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเรามีลูกตาอยู่นะเรากําลังลืมตาอยู่นี่แหละคนเดินผ่านข้างหน้าเราเนะแต่เรากําลังใจลอยไปคิดเรื่องอื่นวิญญาณของเราตอนนี้เกิดทางใจเรียกว่ามนโนวิญญาณเราไม่มีวิญญาณคือความรับรู้ อารมณ์ทางตางั้นคนเดินผ่านหน้าเราเราก็ไม่เห็นนะเดินมาผ่านเฉียดจมูกเรายังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าไม่มีวิญญาณไปรับรู้เนื่องจากขณะนั้นวิญญาณเนี่ยไปเกิดอยู่ที่อื่นเกิดอยู่ที่ใจอะไรเงี้ยเกิดอยู่ที่หูนะเนี่ยถ้าเราได้ฝึกกรรมฐาน น, นขั้นแรกสุดเนี่ยพยายามแยกสิ่งที่เราเคยเห็นว่าเป็นคนน่ ออกมาเป็นห้าส่วนเนี่ยเป็นรู ป, ปรธรรมหนึ่งส่วนนามธรรมสี่ส่วนนามธรรมก็ประกอบด้วยความสุขทุกข์นะความไม่สุขไม่ทุกข์ีตัวหนึ่งความจำได้ความหมายรู้ตัวหนึ่งความปรุงดีความปรุงชั่วความพยายามจะไม่ปรุงนี่อีกตัวหนึ่งความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิน้นกายใจวิญญาณแปลว่าความรับรู้อารมณ์ พอเราแยกออกไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความจริงอย่างถ้าเรามีจิตตั้งมัน่นเราต้องฝึกก่อนนะก่อนที่เราจะเห็นขันห้ามันแยกได้นี่ต้องฝึกความรู้สึกตัวให้เป็นก่อนพอจิตเรารู้สึกตัวตั้งแม่นเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยพอสติะระลึกรู้ลงในร่างกายมันจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุม็นแค่กอนธาต พวกเราลองจับมือตัวเองดูสินะจับมืออย่าไปจับคนอื่นนะยกนี้ก็ห้ามจับเรรา่านะจับรู้สึกไหมมือเนี่ยมันไม่บอกเลยนะว่ามันคือตัวเรานะรู้สึกไหมมันแข็งแข็งนะมันนิ่มๆมันแข็งแข็งนะมันตรงนี้เย็นตรงนี้อุ่นอย่างเงี้ยนะม่ก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุธาตุดินมันก็แข็งแข็ง ธาตุอุ่นๆมันก็ธาตุไฟเพราะฉะนั้นในรู ป, ปรธรรมมันก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองตอนนี้มันยังประชุมมันรวมตัวกันอยู่มีทั้งดินน้ำไฟลมอยู่ด้วยกันเมื่อพอตายนะธาตุไฟธาตุลมมันดับธาตุลมดับไฟก็ดับเพราะไม่มีลมหล่อเลี้ยงอย่างไฟไหม้เนี่ยถ้าไม่มีอากาศเท่าไปนะไฟก็ดับ เั้นพอธาตุาลมดับธาตุไฟก็ดับตัวจะค่อยๆยเย็นเย็นเะย็นเย็นนธาตุน้ า, นาก็ค่อยๆแยกตัวออกไปธาตุน้ํ า, า ม, มันเคลื่อนไหวได้ก็ไหลออกไปเป็นน้ําเลือดน้ําหนองไหลออกไปเหลือซากแห้งๆนะหนังติดกระดูกอยู่เป็นกลองของธาตุดินนี่แยกธาตุแบบ พระสูตรนะถ้าแยกแบบอพิธรรมเป็นอีกแบบหนึ่งยุ่งกว่านี้เยอะเลยถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราแยกแบบพระสูตรู่พอลวถ้าอยากรู้มากแล้ววงเล็บยากนานก็แยกแบบอภิธรรมนะนแะแยกแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรได้เนี่ยเราดูลงมาในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุที่มารวมกันอยู่ชั่วคราวมีกรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้มารวมกันอย่างนี้ เนั้นบางคนกรรมจัดสรรหน้าตาดีบางคนหน้าตาน่าเกลียดบางคนสุขภาพแข็งแรงบางคนก็เจ็บป่วยพี่คนพี่กันนี่กรรมเป็นเป็นตัวจัดสรรให้เราได้รูปอย่างนี้มาเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงในกายนะเราก็จะเห็นนะร่างกายเป็นแค่วัตถุธา ต, าตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกธาตุนี้รวมกันอยู่ชั่วคราว พอกมตัดรอนถึงวาระแล้วธาตุลมก็ดับธาตุไฟก็ดับธาตุน้ําธาตุดินก็แยกตัวออกจากกันหาความเป็นคนไม่ได้เั้นที่พระท่านสวดอภิธรรมนะเพื่อจะสอนให้เราเห็นว่ามันไม่มีคนหรอกเั้นอย่าไปเสียอกเสียใจเลยว่าญาติเราตายแม่เราตายยายเราตายอะไรเนี่ยที่จริงมันไม่มีคนตาย เพียงแต่ธาตมันแยกตัวออกไปเท่านั้นเองตามวาราของมันเนี่ยที่เขาฟังอภิธรรมก็เพื่อจะให้รู้เรื่องอย่างนี้เพียงแต่สวดกันแล้วก็แปลไม่ได้ก็เลยไม่เข้าใจความหมายสวดพอเราฟังเราไม่รู้เรื่องเราก็คิดว่าพระสวดให้ผีฟังเรายังไม่รู้เรื่องผีมันจะไปรู้เรื่องอะไระนี่เรามาเฝ้าดูต่อไปในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราเนียร่างกายเราเห็นแล้วไม่ใช่เรา มาดูความรู้สึกสุขทุกข์นะความไม่สุขไม่ทุกข์ความสุขทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นในร่างกายกับจิตใจถ้าร่างกายเนี่ยมีแต่ความสุขทุกข์เกิดขึ้นทางจิตใจมีสุขทุกข์กับความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นทางใจดูเวทนาทางกายดูยากนะถ้าไม่ทรงสมาธิมากพอพอเจ็บปวดมากๆสติแตกงั้นเราดู เวทนาทางใจดูง่ายกว่าในขณะนี้ถ้าใจเราไม่สุขใจเราก็ทุกข์ถ้าใจเราไม่สุขไม่ทุกข์ใจเราก็เฉยเฉยไม่มีสามแบบเท่านั้นเวทนาในใจเนี่ยสุขทุกข์เฉยเฉยเราก็อ่านใจตัวเองไปใจตอนนี้สุขเราก็รู้ใจตอนนี้ทุกข์เราก็รู้ใจตอนนี้เฉยเฉยเราก็รู้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไป แล้วเราจะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์ความเฉยๆเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่สั่งไม่ได้เลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้ในโลกนี้ไม่มีคนลองไห้อะก็สั่งใจจงมีแต่ความสุขไม่ก็ไม่มีใครลองไห้มีแต่คนยิ้มแย้มทั้งวันมีความสุขเนใจมันเป็นของสั่งไม่ได้มันปลุมความทุกข์ขึ้นมาห้ามมันไม่ได้ ถมา่ห้ามมันไม่ได้ทำยังไงดีก็เรียนรู้มันไปเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในใจนะเรามีสติเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราจะเห็นว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเวลามีความสุขเกิดขึ้นเราก็มีสติเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราก็จะเห็นว่าความสุขมีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหรือใจเฉยเฉยนะียมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย ตอนนี้เฉยแต่เดี๋ยวก็ไม่เฉยแล้วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวว่าทุกข์ขึ้นมาแล้เนี่ยเฝ้าดูเฝ้าดูลงไปนะเราจะได้เห็นความจริงว่าความสุขความทุกขนะ์เนี่ยมันเหมือนภาพลวงตามันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกะงั้นถ้าเราเห็นตรงนี้ได้เมีคนตายเห็นมาเนะี่ยใ่เรามีความทุกข์เรามีสติรู้ทันใจที่ทุกข์เราก็จะเห็นว่าความทุกข์เป็นของแปลกปลอมเข้ามาสู่ใจอยู่ชั่วคราวแล้วหายไป มันได้ อ, อะไรไปทุกค์ก็เสียเวลามันของหลอกๆความทุกข์ก็เหมือนฝันร้ายหลอกๆไม่ได้มีจริงมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเวลาอยู่ในโลกธรรมดานะก็ใฝ่ฝันอยากได้ความสุขนี่ถ้าเราเคยหัดภาวนาดูจิตดูใจตัวเองบ่อยๆเราจะเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเนี่ยความสุข ก, ก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะล่วแต่ยึดถือไว้ไม่ได้ทั้งสิ้นงั้นอย่างเวลามีคนตายเนี่ยเราเสียใจเสียใจก็ไม่ต้องหาทางแก้ไขอะไรหรอกมีสติรู้ลงไปตรงๆที่ใจของเราเลยใจมันกำลังร้องไห้อยู่นะก็มีสติรู้ลงไปเราก็จะเห็นในความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ทางใจที่กำลังเกิดขึ้นนะมันเป็นของแปลปลอม ใจเราเป็นแค่คนรู้ใจไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์อะไรด้วยใจเป็นแค่คนรู้คนดูอยู่เฉยๆความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์นั้เป็นของถูกรู้ถูกดูมาแล้วก็ไปเพราะนั้นใจเนี่ยจะไม่เกลียดความทุกข์ใจจะไม่หลงรักหิวโหยในความสุขใจจะไม่อยากให้จิตใจเนี่ยว่างๆไม่สุขไม่ทุกข์พอรู้ความจริงแล้วห้ามอะไรไม่ได้หรอก งั้นเวลาคนตายเนี่ยนอกจะเห็นความจริงของรูปผมเห็นความจริงของเวทนาด้วยสัญญาของพ่อข้ามไปดูยากการจําได้หมายรู้สังเกตไหมเอาพูดย่อๆก็ได้อย่างเวลาเราญาติของเราตายพ่อแม่เราตายปู่ย่าตายายเราตายหรือเพื่อนรักเราตายคู่ของเราตายเราจะทุกข์ตอนที่เรานึกถึง ถ้าตอนนั้นเราไปนึกถึงเรื่องอื่นเราไม่ได้นึกถึงคนนี้นะไม่ได้เราลึกถึงเขาไม่ได้มีความจําได้ถึงคนนี้ขึ้นมานี่ยใจไม่ถูกข์หรอกแต่พอเราคิดถึงเขาขึ้นมาอีกเนี่ยสัญญามันทํางานนะสังขารคือความเศร้าโศกเสียใจก็เกิดขึ้นนี่นเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจริงเรามีทุกข์ขึ้นมานะก็เพราะว่าเร า, เราไปคิดถึงนะคิดถึงคนที่จากไปแล้ว เนราเฝ้ารู้เฝ้าดูดตัวเองไปเราก็จะรู้เลยว่าความตายของคนอื่นเนี่ยไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ความคิดของเราเองต่างหากที่ทำให้เราทุกข์ความหมายรู้ของเราเองมันทำให้เราทุกข์เนี่ยเราฝึกกรรมฐานก็เพื่อจะได้ฉลาดเราจะรู้เลยคนอื่นไม่ได้ทำให้เราสุขหรือเราทุกข์ใจของเราแหละปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นมาเองจากการที่เข้าไปสำคัญบั่นหมาย ว่านี่คือคนที่เรารักตอนนี้ตายไปแล้วเนี่ยเราก็ทุกข์ถ้าใจเราไม่คิดเรื่องอื่นอย่างเวลามีงานศพเนี่ยมีกิจกรรมที่ต้องทำมากมายงั้นระหว่างงานศพเนี่ยพวกญาติญาติที่จัดงานศพเนี่ยไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกเพราะมัวเวียนผัวก็ทะเลาะ ก, กันเองบ้างอะไรบ้างนะมีเรื่องวุ่นวายใจตลอดเวลาลืมเรื่องคนตายไปงั้นไม่ได้ทุกข์เพราะคนตายหรอก แต่ทุกว่าเอาเข้าวต้มมาหรื อ, อยังทําไมยังไม่มาจะเผาแล้วดอกไม้จันมาหรือยังอย่างเงี้ยไปทุกเรื่องอื่นไม่ได้ทุกเพราะคนตายแล้วทำไมไม่ได้ทุกเพราะคนตายไม่ได้คิดเรื่องคนตายถ้คิดว่าโถแม่เรานะเมื่อวานซึนยังเดินได้เลยวันนี้ตายไปแล้วไม่น่าเลยเพิ่งอายุร้อยปีเท่านั้นคิดอย่างนี้ก็ทุกแหละ นั่นมันทุกข์ก็เพราะใจเราเองเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเพราะสัญญามันหลอกมันคิดมันปรุงไปนะแล้วตัวสังขารตัวดีตัวชั่วตัวสังขารตัวดีตัวชั่วเราเฝ้ารู้ลงไปในใจเราเรื่อยๆเลยนี่เห็นความปรุงดีก็อยู่ชั่วคราวความปรุงชั่วก็อยู่ชั่วคราวปรุงไม่ดีปรุงไม่ชั่วก็ของชั่วคราว เนี่ยชีวิตเรานะแทนที่จะมองชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเราสามารถซอยชีวิตเราเป็นช่วงเล็กๆสั้นๆเป็นขณะขะได้ชีวิตขณะนี้กำลังโกรธอยู่ชีวิตขณะนี้กำลังโลบอยู่นะชีวิตตอนนี้กำลังฟุ้งซ่านใจลอยอยู่ชีวิตตอนนี้กำลังรู้สึกตัวอยู่เราแยกชีวิตของเราเป็นส่วนย่อยๆอ อ, อ, ออกมานะเราจะเห็นว่า มันเกิดเราก็ดับทั้งนั้นนะความสุขเกิดล้วก็ดับความทุกข์เกิดล้วก็ดับความดีเกิดล้วก็ดับความชั่วเกิดเราก็ดับเนีเ่เฝ้ารู้ไปโลกนี้มีแต่ของไม่ยั่งยืนเนี่เฝ้ารู้ลงไปในที่จิตที่ใจเรานะเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชัว่วเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเหมือนเรากำลังฝันอยู่สิ่งที่เรารู้รู้สึกว่าจริงจังเนะ่ ในความเป็นจริงในสายตาของผู้ปฏิบัติ่ะมันเหมือนเรากำลังฝันอยู่เท่านั้นเองฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างฝันแล้วสุขบ้างทุกข์บ้างฝันแล้วโกรธก็ได้เคยไหมฝันแล้วโกรธฝันแล้วโลภก็ได้ใช่ไหมมันเหมือนฝันอยู่นชีวิตมันก็เหมือนความฝันตื่นขึ้นมาอยู่กับความเป็นจริงความฝันก็หายไปแล้วเราเคยฝันว่า คนที่อยู่ในโรงเนี่ยกค อ, อยู่กับเราเป็นพ่อเป็นแม่เรามันก็จริงอย่างโลกโลกแต่ในทางธรรมะแนละ้วขันห้าเหมือนความฝันเท่านั้นเองเหมือนความฝันเหมือนพยับแดบเหมือนภาพตรงตามีแต่ความจริงก็เหมือนไม่มีถ้าเราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตยอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่คนที่เรารักตายไปเนเราจะไม่เศร้าโศกก เห็นว่าวัตถุมันแตกความสุขความทุกข์ในใจเรานะเกิดจากความคิดของเราเองไม่ใช่เกิดจากเขาตายนะไม่ใช่เกิดจากคนตายอย่าที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราคิดเราเองนะอย่างถ้าเราคิดถ้าเราลองศึกษาเปรียบเทียบดูอย่างถ้าพ่อแม่เราตายเนี่ยเราก็ทุกนิดหน่อยนะถ้าลูกเราตายเนี่ยทุกแสนสาหัสเลย พอพ่อแม่ตายเนี่ยเราเคยคิดอยู่เรื่อยว่าพ่อแม่แก่แล้วต้องควรจะตายก่อนเราแต่ลูกเนี่ยเราไม่กล้าคิดนะว่ามันจะตายก่อนเราก็กลัวมากเลยงเวลาพ่อแม่ตายเนี่ยเราทำใจได้ทำใจได้ง่ายกว่าแต่ถ้าลูกตายเนี่ยเราไม่เคยคิดมาล่วงหน้าเลยว่าลูกเราจะตายแค่จะคิดยังไม่กล้าจะคิดเลยกลัวว่าจะแช่งลูกนีนพอลูกตายปั๊บเนี่ยใจมันรับไม่ได้ ที่จริงแล้วมันทุกข์เพราะใจมันยอมรับความจริงไม่ได้ถ้าใจยอมรับความจริงได้สักอย่างเดียวเนี่ยความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นการที่เราเรียนกรรมฐ า, านแยกขันธ์ห้าแล้วเห็นความจริงของขันธ์ห้าเนี่ยก็เพื่อให้ใจมันยอมรับความจริงได้ว่าร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงสุขทุกข์ดีชั่วอะไรก็ไม่เที่ยงจิตใจของเราก็ไม่เที่ยงเป็นของมีชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกอย่างเหมือนภาพดวงตาพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ย เวลาคนที่เรารับพลัดพรากไปจากเป็นหรือจากตายมันก็ไม่ทุกหรอกเรารู้เลยมันทุกเพรสัญญามันปรุงขึ้นมาสังขารมันก็ปรุงต่อรับช่วงกันไปความทุกข์มันก็เผาผลาญจิตใจของเราเนี่ยคือใจความที่พวกเราควรจะเรียนจากงานศพงานศพไม่ใช่งานสังสรรค์เฮหานะตามต่างจังหวัดนะ ทีงานศพน่ะเขามานั่งกินเหล้ากันมาเล่นการพนันกันตารวจยกเว้นไม่จับนะเป็นธรรมเนียมมันก็ไม่จับคนเี่มานั่งเล่นไพ่เล่นไฮโลในวัดนั่นแหละดีไม่ดีนะเนรเนียวยองไปเล่นด้วยทํำนะนะไมต้องมาเล่นเฮฮาเขาบอกเป็นเพื่อนศพไม่ได้เป็นเพื่อนศพหรอกเป็นเพื่อนเจ้าภาพถ้าแขกไปหมดแล้วไม่มีคนที่จะต้องคอยดูแลแล้วมันเศร้าใจ เพื่อเป็นวิธีแก้เศร้าของชาวบ้านของคนไม่ได้ศึกษาธรรมะถ้าคนศึกษาธรรมะนะเฝ้ารู้เฝ้าดูลงในกายในใจความเศร้าโศกไม่มีหรอกงั้นถ้าเราฝึกกรรมฐานไปเรื่อยสิ่งที่เราจะได้มาก็คือความมั่นคงในจิตใจเราจะไม่เศร้าโศกพ้นจากความเศร้าโศกเราก็เป็นอิสระเห้นมาวันนี้ก็ สมควรแก่เวลายี่สนาทีแเราผสมควรแก่เวลา น, นาั่เเนเะท่านี้แล้ว